อีกสักต่อไปในฝนที่โต๊ะบ่อหลวงพ่อด้โลว่กระทรวงศึกษาธิการมอบโล่ประจำปี 2,549 ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาฟังๆนุ่ัหลวงพ่อจะอ่านให้ฟังพอออดพึ่งเอามาส่ง ตั้แต่ก่อนเข้าพรรษาเพื่อม า, มาถึงเดี๋ยวนี้เหือนกันนะกระทรวงศึกษาเป็นอย่างนี้นะกว่าจะมาถึ ง, น, งน้ำไ ห, หลเอืยเอือเอ่อยผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี2549กระทรวงศึกษาธิการประกาศเกียรติคุณบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่าพระอาจารย์อินทวัฒน์จันทุตสโก เขียนตุสโกก็บพิษอีกนี่มันต้องสอเสือสองตัวนะสองแดงมันพอเคยบวชใช่ไหมสันตุสะโกะอันนี้เป็นสันตุสะโกะตามไม่จริงเป็นสันตุตุต้องจุดซะก่อนก็นมีสอเสืออีกตัวหนึ่งเปลว่าอเสือมีสองตัวอันนี้มัสันตุสะโกะเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจําปีพุทธศักราช2549 กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศเยติคุณไว้เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไปขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยโปรดประทานพรให้พระคุณเจ้าเจริญ ง, งอกงามไพรู์ในพระพุทธศาสนาเทิดให้ไวนะ้นักวันที่7กรกฎาคม พ, พุทธศักราช2549รัตมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่ขนาดได้ไงแต่เกือบเป็นปียังค่อยได้ไหอันนี้คือประกาศเกียรติคุณที่หลวงพ่อได้สร้างอาคารเรียนปีนี้ก็ได้มอบอาคารเรียนหัวดอนตานลโรงเรียนดอนตาลเมื่อวันที่ยี่สิบสามมีนาคมห้าศที่ผ่านมาหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายเพิ่งเสร็จไปใหม่เนะี่ยเพิ่งมอบอันนี้ก็ใช้ทุน 3ามล้านหคือจบทุกอย่างเจห้องเรียนมีโต๊ะเก้าอี้อะไรพร้อมทุกอย่างหอง้อ ง, หองน้ำห้องน้ําปูกระเบื้องข้างในแล้วกอเมื่อวันที่24่สบสี่มอบห้องแรบให้แก่โรงพยาบาลคำชีอีพร้อมกับเครื่องมือห้องอะไรตู้เก็บเลือดแล้วก็เครื่องแยกเลือดอะไรนะ่ะแล้วก็เตียงรับบริจาคเลือดให้แก่คำชะอีอันนี้ก็หมดไปล้านกว่าบาท ตัวนี้อันนี้ก็แล้วก็เมื่อวานวันก่อนก่อนที่จะกลับวัดตำรวจอำเภอคำชีอีเนะี่ยแต่เป็นสอพอตบ้านค้อมนิมนต์หลวงพ่อไปดูสถานีของเขาไปเห็นก็โอ้สร้างมาตั้งแต่ 20-30 บสสิปีแล้วแล้วก็ห้องแคบๆตำรวจส4มสี่สิบคนเวลาประชุมก็ไม่มีฝ้าอีกต่างหาก โอ้ยหลวงพ่อขอกั้นฟ้าให้พวกผมด้วยเถอไปดูดูแล้วก็อเอา้าคิดออกมากเขาก็เลยคิดเขาก็มาเสนอสี่0มเก้าพันกบาที่หเก้าันเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อน่าจะสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ได้ก็เลยให้เขาไปให้เขาไปห้า0มืนบาทเขาบอกว่าจำนวนเหลือเป็นค่าช่างเขาจะเฉลี่ยกันออกจเจ้าจากตำรวจ เป็นค่าจ้างประมาณ 6, หกพันรวมแล้วประมาณห้าหมืนกว่าบาทที่สร้างต่อเติมสถานีตำรวจของเขาอันนี้ก็หลวพ่อไปที่ไหนก็ยังวาดพอเห็นเห็นแล้วก็พอจะช่วยสงเคราะห์ได้ก็สงเคราะห์สงเคราะห์ไปทําไมหนักหนานะถ้ามันหนักหนาจริงๆก็ถอยกูดเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้กำลังสีนกครินกำลังหนักอยู่ สีนครินขอนแก่นยจายงวดแรกล้านสองมเมื่อวันที่ยี่สิบหกที่ผ่านมาวันวานมันก่อนงวดที่สองอีกเก้าแสนหะกรวมแล้วเป็นยังอีกสีงวดรวมแล้วสี่ล้านแปดตกแต่งทั้งชั้นเหอันชั้นสิบอันนี้คือตึกสงอาภาดตัวภาคตะวันออกเสียงเหนือเหมือนกัน แต่ตามเป่จริงเป็นพระทั่วประเทศฟังฟังดูแล้วหลวงพ่อถามหมอหนูมีทั้งภาคเหนือเข้ามามารักษาเหมือนกันพอรักษาแล้วก็ติดใจไปรักษาที่อื่นก็ไม่อำนวยความสะดวกพอดังนั้นก็มารักษาขึ้นมารักษาถึงขอนแก่นพอป่วยขึ้นมาไม่สบายขึ้นมาก็คิดถึงหมอขอนแก่นเหมือนกันพราะนั้นเรียว่าเป็นโรงพยาบาลทั่วประเทศก็ได้เหมือนน่า พระสงที่ไหนป่วยที่ไหนมาเลยเพาะฉะนั้นในหลวงพ่อกําลังหาทุนสร้างอยู่อันนี้ก็ถ้าจะว่าหนักก็หนักพอสมควรเพราะอนาคตไม่รู้มันจะออกมาในรูปแบบไห น, นเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องอะไรแต่ที่เซ็นสัญญากันแน่ๆจะต้องหาจ่ายให้แน่ๆก็คือสี่ล้านแปดแสนอันนี้แน่นอนอันนี้จ่ายงวดที่สองนะยังเหลืองวดอีกยังอีกสามงวดเดือนกระะกฎาคงจะเสร็จ ได้เหมือนันเนี่ยนะอันนี้ก็คือทั้งโรงเรียนทั้งโรงพยาบาลนะถ้าจะบรรยายไปว่าได้ช่วยที่ไหนบ้างหลวงพ่อคงจะไม่ได้ฉันยังหันมนเนี่ยคงจะเกินเที่ยงไปเพราะนั้นพูดพูดนิดหน่อยเหาือนัน น, นนี้ก็คือทำคุณประโยชน์ให้แกชุมชนและสังคมแต่แตามไม่จริงการที่จะทำอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม แต่ถ้าหากว่ามันเกินไปทําให้หนักหนาเกินไปเดือดร้อนคนเกินไปออกทางนอกเกินไปทําให้ผู้เกี่ยวข้องไม่สบายใจเหมือนกันนะถ้าสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าไม่หนักหนาสําหรับคู่คนที่เกี่ยวข้องกับเราแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้แผ่ผู้ขอเขาจนเกินไปจนคนเข็ดขยติไม่อยากจะเข้ามาวัดอันนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันนะ่ะ เพราะฉะนั้นการทําสิ่งใดก็ตามคือไม่เดือดร้อนตนและผู้อื่นแต่ตามไม่จริงผู้ที่อยากจะทําบุญมีอยู่อยากจะทําบุญอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนแเนงินจะตุ ป, ปัจจัยก็ไม่เดือดร้อนถ้าทําบุญไปอันนั้นอนะ่ะควรจะบอกกล่าวเขาเป็นสะพานบุญว่างั้นเออตึกสง่าพาดเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่นะเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็พระสงฆ์ได้เก็บใครได้ป่วยก็ได้มา รักษาอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลถ้าว่าไม่เดือดร้อนตนเมื่อทําบุญออกมาแล้วไม่เดือดร้อนอควรจะทํานจุดนี่ควรจะหวานพืชเพาะงั้นแต่เป็นเนื้อนาที่ดีแล้วก็ลงลาโรงเรียนก็เหมือนกันลงลาโรงเรียนเกิดทรัพยากรของชาติเราเกิดมาในชาติในพื้นแผ่นดินไทยเราไม่เดือดร้อนเราก็ควรจะช่วยเหลือชุมชนและสังคมลูกหลานประเทศชาติของเรา เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ไปที่ไหนก็เป็นของประเทศชาตินั่นแ่ะเมื่อเราไม่เดือดร้อนเงินทุนของเราพอเป็นไปได้อันนี้เราก็ควรจะสงเคราะห์เนาะอันนี้หลวงพ่อก็บอกในลักษณะอย่างนั้นแต่ทางว่าเราเป็นจำที่จำช้ไปขอแผ่ขอออกเรีอยไรยออกใบดีกาไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นมันดูก็ น, น่าเกลียดเหมือนกันนะเออ ใบบอกบุญหรือใบซองซองผ้าป่าเนี่ยไม่ว่ากลัวแต่คนนะผีก็กลัวเหมือนกันนะขนาดตายเป็นผีก็ยังกลัวหลวงพ่อได้อ่านหนังสือเข้าเขียนกัหลวงพ่อกันึกคําเหมือนกันวนะ่างั้นน่ะมียายคนหนึ่งอยู่ข้างวัดแต่เป็นคนขี้เหนียวว่างั้นเถอะคนคนขี้ทีว่างัน้นเนถะภาษาบ้านเราว่าขี้ที่ภาษาภาคกลางว่าขี้เหนียวว่างั้นเนถะ สรุปว่าก็คือไม่ยอมแบ่งปันให้แก่ใครแต่เป็นคนร่ํารวยเป็นคนรวยเงินแบบนั้นแต่อยู่ข้างๆวัดนั่นนหะแต่นี้เวลาบุญเวลากุศลอะไรนะเบื่อมากอ เ, เรื่องซองผ้าป่าเนี่ยแบบนั้นเห็นซองผ้าป่าแล้วจะกระโดดหนีแบบนั้นเบื่อไอ้สมภารอยู่ที่นั่นกันสร้างโบสถ์ที่ไหนสร้างศาลาแล้วก็สร้างโบสถ์สร้างโบสถ์แล้วก็สร้างอะไร ที่มาเกี่ยวข้องด้ววันไหนก็วันเก่าก็เอาเงินจากคนกลุ่มเก่านั่นล่ะเอาเงินจากกลุ่มหมู่บ้านนั่นนะ เ, เดี๋ยวก็เดือนนั้นซองผ้าป่าเรื่องนั้นเดี๋ยวเดือนนี้ซองผ้าป่าเรื่องนี้ประงาณน <ะ S 2> <ห><ห>ั้นแต่ยายนี่ก็คนขี้เหนียวอยู่แล้วส่วนไหนพอเห็นซองผ้าป่านี่เบื่อมากๆากปงะมานั้นแตทีนี้ก็ต่อมาต่อมายายนี่ก็เลยตายประมาณนั้นแต่พอตาย ตายไปแล้วคนขี้เหนียวใช่ไหมล่ะคนห่วงทรัพย์สมบัติพอตายไปแล้วก็ไม่หนีจากครอบครัวไม่หนีจากบ้านจากเรือนไปเป็นผีแล้วก็ยังมกวนเวียนมาหาลูกหาหล า, านอยู่วงั้นเถอะเพราะบางคนห่วงอะไรขี้เหนียวได้ไปที่ไหนไม่ได้เวลาจะตายเนี่ยก็คิดห่วงถึงบ้านถึงเรือนถึงเงินถึงคําทรัพย์สมบัติของบ้านของตัวเองของลูกของหลานว่างั้นแหะ ตายไปแล้วก็เลยจิตใจก็รบกุนเวียนมาอาศัยมาบกวนเวียนอยู่กับลูกหลานอยู่งันแตะบางทีก็เข้าสิงคนนั้นบ้างบางทีก็เข้าสิงกนนี้บ้างว่างั้นแต่เหมือนกับตาแจ๊กเข้ามาสิงคนที่ทําบุญนั่นแหละตรงแจ๊กตี่เข้ามาสิงนี่ก็มกัน่าคิดเหมือนกันนะอลูกหลานทําบุญไม่อุทิศส่วนกุศลให้ ลุงเจ๊ก็เข้ามาสิงเหมือนกันอะมาสิงคนขอลุงเจ๊กเราเสียใจมากที่ลูกหลานทำบุญแล้วไม่ระบุชื่อเราระบุชื่อแต่คนอื่นเหมือนกับเราไม่มีบุญคุณกับลูกหลานผีก็เข้าสิงเหมือนกันเ่อะอันนี้ก็ยายนะ่ะไอ้ลักษณะอย่างนั้นอ่ะไม่พอใจคนไหนก็เข้าสิงคนนั้นแล้วก็เข้าสิงคนนี้วันหนึ่งกำลังเข้าสิงคนอยู่งนผีกำลังเข้าสิงคนเหมือนกันเะ นะทายกวัดเนี่ยก็ถือซองผ้าป่าขึ้นไปทีนี่พอถือปองเข้าไปเขาถามว่าทายกมาอะไรมันเอ้ยเอามาสองผ้าปา <cellular. S 1> ่ามาแจ๊กเหมือนงั้นยายที่เป็นผีเนี่ยเป็นเห็นสองผ้าปา่าท si ั้นโอ้ยไปๆแล้วกูกลัวกูเบื่อแล้วเงี้ยกูกลัวกูกลัวผีก็เลยออกเลยเหมือนเงี้ยเออผีเห็นสองผ้าป่าออกเลยเหมือนเงี้เถอะทายกก็เลยถามว่าเป็นใคระ เขาก็เลยบอกว่าเป็นยายนี่แหละชื่อคนนั้นคนนี้โอ้เออกลัวขนาดนั้นเลือะไรอยงเ้ยตั้งแต่นั้นต่อมาจะนี่พอเห็นยายนั่นไปเข้าสิงใครเนี่ยเอาซองผ้าป่าไปยื่นอลไรอย่างเงีเ้ยายนี่ก็บหนีตลอดเลยเอะไรอย่างเอี้ยกลัวสองผ้าป่าอะไรอย่าเงีผีนี่กลัวกรสซั่งทองผ้าป่าเลเพราะฉะนั้นสมภารไหนก็ตามอาถ้าหาก แผลไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเลยไม่ว่าแต่คนนะผีก็กลัวอ่างั้นเถอะพราะนั้นพราะนั้นหลวงพ่อเองหลวงพ่อนานๆจะพูดนะเ อ, อเว้นเสียแตเจ้าศรัทธาใหญ่ อ, อมีอันจะกินแล้วก็เอ อ, เ อ, อ, เ อ, อบอกกล่าวนะนานๆทีหนึ่งแต่ก็อย่าเดือดร้อนนะแต่บางทีก็พูดพูดเอ้ยช่วยช่วยจุดนั้นนะถ้าเขาบอกว่ากเออเป็นอย่างนู้นอย่างนี้กัว่าอือเย่าไปเอาต้นมันก็นแล้วกันเอา ดอกดอกพ้นผลมันก็ได้นะเอาเศษเศษก็ได้เนี่ยอย่าไปเอาต้นมันหลวงพ่อก็พูดไปอย่างงั้นแต่ตามไม่จริงเงินเลยมันไม่มีเศษตรงนั้นจําเป็นได้ใช้ทุกบาททุกสตางค์เลยถามใครก็ได้ที่นั่งอยู่ที่นี่โอ้ยเงินเศษมีไหมเงินไม่ได้ใช้เลยโดยมากมันจําเป็นได้ใช้ทุกบาททุกสตางค์นะเงินเพราะฉะนั้นการที่จะเกลี่ยไรยขอคนก็ต้องได้คิดเหมือนกัน เป็นการบอกกล่าวไม่ให้หนักอกหนักใจแล้วก็ผู้ทําบุญก็เหมือนกันหลวงพ่อก็บอกนะผู้ที่จะทําบุญกับหลวงพ่อเนี่ยต้องคิดให้ดีนะอย่าอย่าหนักใจก่อนทําก็ต้องคิดให้ดีในขณะที่ทำํำก่อนคิดกับใจเบิกบานขณะที่ทํำก็ใจเบิกบานเมื่อทําเสร็จผ่านไปแล้วก็ใจเบิกบานนะะั่นแหะเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่ว่าทําไปแล้วก็เสียดายเงิน ของตนเองอันนั้นไม่ถู ก, กจิตใจไม่เป็นปกุศลจิตใจเหี่ยวแห้งอับเฉาอันนั้นไม่ดีนะเพราะฉะนั้นการสร้างปุญร้างกุศลต้องจิตใจต้องเบิกบานนะ น, นี้ทําปุญสาธารณาประโยชน์เมื่อเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเราควรจะช่วยสงเคราะห์อะไรได้บ้างไม่ใช่ว่าจะเก็บหอมรอมริบจนไม่รู้จักแบ่งใครเฉลยก็เป็นยายขี้ถีคนนั้นนะ่ะแต่ตายเป็นผีก็ยังกลัวสองผ้าป่านะ แล้วพรนตอนนี้น่ะเรา ม, มูทนาให้พร